สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู166ตอนมิดมิดไนนะครับพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกกาบทที่11ข้อที่5ถึงข้อที่13โปรดฟังพระเจ้ า, พ ร, จาพระองค์ตรัสแก่เขาว่าผู้ใดในพวกท่านมีมิดสหายคนหนึ่ง และจะไปหามิจฉสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอให้ฉันยืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาฉันและฉันไม่มีอะไรจะให้เขารับประทานฝ่ายมิจฉหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดเสียแล้วทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกับฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้ เราบอกท่านหลายว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนอันเพราะเป็นมิตรสหายกันแต่ว่ า, าเพราะวิงวอนมากเขา้าเขาจึงจะลุกหยิบให้ตามที่เขาต้องการเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็อได้ทุกคนที่แสวงหากขพบและทุกคนที่เคาะ ก็จะเปิดให้เขามีรูปใจในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าบุตรขอปลาจเจ้างูให้เขาแทนหรือหรือถ้าขอไข่จเจ้าแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าท่านหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดถ้าบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานพระเป็ญยามบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พี่น้องครับ ปุประมาเรื่องมิตสหายามเที่ยงคืนผมใช้หัวข้อว่ามิตดมิดไหนนะครับขณะที่เปียสูเดินทางต่อไปเยรูเซมนั้นเปียสูก็ทรงหยุดที่หมู่บ้านเบธานีเพื่อรับประทานอาหารพี่น้องครับท่านคงจำได้ว่าหมู่บ้านเบธานีนั้นเป็นบ้านของใครครับมารีและมาทานะครับมารีและมาทาซึ่งเป็นอเหมือนกับ เป็นสาวกของพระเยซูที่สนิทสนมกับพระเยซูมากเมื่อพระเยซูจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับจะเข้ากรุงเยรูเซเลมเมื่อไหร่พระเยซูต้องแวะที่เบธานีครับเพื่อที่จะเยีเ่ยมเยียนมารีมาธาแ ล, ละลาสหลังจากที่พระเยซูอยู่ที่เบธานีไม่นานพระเยซูก็เสด็จไปอธิษฐานตามลาพังครับเป็นสิ่งที่พรงปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อพระองค์อธิษฐานเสร็จแล้วสาวกของพระองค์ก็มาหาพระองค์และถามเปียสูว่าจะอธิษฐานได้อย่างไรและมีเป็นที่มาของคำอธิษฐานตามแบบที่เปียสุทรงจัดสอนแตบเป็นเวอร์ชันนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นของลู ก, กานะครับพี่น้องครับเมื่อเปียสุสอนสาวกให้อธิษฐานนั้นเปียสูได้ยก อุปมาเรื่องนี้ขึ้นมาครับอุปมาเรื่องมิตรสหายยามมิจไนครับอุปมาเรื่องนี้มีเรื่องเล่าเป็นอย่างนี้ครับชายคนหนึ่งมีแขกมาหาในเวลาที่ดึกมากแล้วในคืนวันหนึ่งการที่เป็นเจ้าของบ้านของคนยิวนะครับเจ้าของบ้านเขาถือว่าเขาจะได้รับผ่อนมากเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องดูแลแขกแต่ น, น่าสนใจนะครับว่าแขก ที่มาหาเขาในยามมิดไนท์หรือกลางคืนนั้นเที่ยงคืนทําไมต้องเที่ยงคืนครับเพราะว่าเทจริงแล้วการเดินทางของคนในสมัยโบราณในแถบปาเลสไตน์ในแถบตะวันซายนะครับเขาจะต้องเดินทางในเวลากลางคืนครับเขาจะต้องอาศัยดาวนะครับดาวที่จําเป็นที่สุดก็คือดาวเหนือครับเขาจะต้องอาศัยดวงจันทร์นะครับเพื่อที่จะบอกทิศนะครับเขาจะต้องอาศัยกลุ่มดาวต่างๆเพื่อที่จะ เขาจะเดินได้ถูกทางถูกทิศครับทำไมเขาถึงต้องเดินในเวลากลางคืนเพราะว่าเวลากลางคืนนั้นทะเลทาย็นเย็นนะครับถ้าเวลากลางวันทะเลทายจะร้อนครับไม่สามารถเดินทางได้นะครับจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนอยู่นะครับหรือคนในปาเสไตน์นั้นเขาจะเดินทางในเวลากลางคืนครับปรากฏว่าแขกผู้เดินทางนี้ได้เดินทางมาหาท่านเจ้าของบ้านถึง ตอนเที่ยงคืนพอดีครับเมื่อถึงตอนเที่ยงคืนเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านเจ้าภาพจะต้องจัดการดูแลแขกของเขาให้ดีไม่เพียงแต่ดูแลแขกเท่านั้นนะครับสัตว์พาหนะของเขาเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยไม่ว่าเขาจะมาเวลาไหนก็ตามแต่ปรากฏว่าชายคนนี้น่าจะยากจนนะครับนะเพราะว่าเขาไม่มีขนมปังที่จะเลี้ยงแขกเลยในสมัยนั้น ผู้คนจะทำขนมปังที่บ้านครับขนมปังสามก้อนนั้นเป็นจำนวนปกติสำหรับคนหนึ่งที่จะรับประทานในหนึน่งมื้อนะครับขนมปังนั้นก็จะเป็นอนกลมๆเวลากินนะครับเขาจะต้องฉีกออกมาแล้วก็ใช้แขนช้อนกับกิ้มและตักผักหรือกิ้มเนื้อกิ้มน้ำสตูนะครับในปรากฏว่า ในเรื่องนี้เจ้าของบ้านรู้ว่าเขาไม่มีขนมปังเหลือเขาก็จึงเขาก็เขาก็ไปหาเพื่อนบ้านและขอยืมขนมปังสามก้อนครับในข้อที่เจ็ดนะครับต้องผิดบันชีกว่าเพื่อนบ้านตอบว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดอยแล้วและพวกลูกก็นอนร่วมเตียงกับฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้พี่น้องครับในอาริสต์นั้นบ้านที่นอนนะครับ ห้องนอนบ้านมีห้องนอนมีห้องเดียวครับโดยจะยกพื้นขึ้นต่างหากสาหรับนอนครอบครัวก็จะนอนบนเสื่อนะครับพวกเขาก็นอนเรียงต่อกันครับคนที่ตื่นขึ้นในตอนเที่ยงคืนจะต้องเดินข้ามสมาชิกในครอบครัวของเขาทั้งหมดครับเพื่อที่จะไปที่ประตูและเมื่อประตูปิดแล้วก็มเาเชื่เรื่องง่ายที่จะเปิดประตูนะครับคนสมัยนั้นจะใส่สลักประตูในเวลากลางคืนเพื่อกันขโมยกันทรัพร้ายนะครับ แล้วเขาจะเปิดประตูก็ต้องเลื่อนไม้หรือแท่งเหล็กที่เป็นสลักประตูนะครับผ่านวงแหวนตรงบานประตูเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่เลื่อนงายครับไม่ใช่เลื่อนสะดวกที่เขาจะทําตามทคำร้องขอของเพื่อนบ้านที่ขอขนมปังสามก้อนพี่น้องครับในคําอมมานี้เรารู้ว่าในที่สุดแล้วนะครับอย่างไงก็ตามเพื่อนบ้านคนนี้ก็เตินขึ้นและหยิบสิ่งที่เขาต้องการให้ครับคําถามก็คือว่าพระเยซู ต, ออต้องการสอนอะไรในคำอุปมานี้รพระเยซูต้องการสอนอะไรในคําอุปมานี้ครับีน้องพระเยซูกําลังบอกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับการอธิษฐานครับถ้าอ่านข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบสามเนี่ยเราจะพบว่าพระเยซูตรัสว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สวยหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขา ดูเหมือนว่าในข้อที่เก้านะครับเป็นคําสั่งครับนะจงขอแล้วจะได้จงหาแล้ะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับเขามีสามคำสั่งครับโดยที่สามคำสั่งนั้นเกิดจากทําสัญญานะครับในข้อสิบบอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้นี่เหมือนดูเหมือนเป็นคําสัญญานะครับทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่หาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาเห็นไหมครับ มิจฉาหายมาขอขนมปังเพื่อเลี้ยงแขกในเวลาเที่ยงคืนเป็นความต้องการที่จําเป็นจริงๆพระเยซูก็ทรงกล่าวถึงผู้ที่เป็นบิดานะครับในโลกได้ให้สิ่งที่ลูกๆของเขาต้องการได้ผู้ที่เป็นเพื่อนนะที่อยู่ในโลกก็สามารถที่จะให้สิ่งที่เพื่อนของเขาต้องการได้นะครับพระเยซูก็อธิบายต่อไปว่าคนที่เป็นคนบาปนั้น พ่อที่เป็นคนบาปนั้นยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นถ้าเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานข้าววิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ในข้อสิบเอ็ดปยซูอธิบายว่าถ้าลูกขอปลาจเจ้างูให้ลูกเหรอถ้าลูกขอไขเอ่เจ้าแมงป่องให้ลูกเหรอือหรือว่าถ้าลูกขอขนมปังจเจ้าก้อนหินให้ลูกเหรอือนี่คือสิ่งที่ปเยซู ได้ใช้เป็นเหตุเป็นผลในการที่จะอธิบายถึงความรักของพระเจ้าพระบิดาของเราบนสวรรค์พี่น้องครับจากฟังทีในตอนนี้เรื่องคำอุป ม, มามิตรบิดไหนทำให้เราเห็นถึงบทเรียนสาประ ก, การในการอธิษฐานครับบทเรียนประ ก, การแรกก็คือว่าในภาษาอังกฤษนะครับในภาษาอักฤษทำว่า persistence นะครับ ก็คือการอธิษฐานหรือการขอที่ไม่ยอมหยุดหรือใช้คำว่าขอแบบทีทีที ท, ท, ท, ท, ทีไปเรื่อยๆนะครับขอแบบยืนหยัดยืนหยัดนะครับภาษากรีกนั้นใช้คำว่าอ n i ายดีอันซึ่งแปลว่าไม่อ่ายครับเพราะว่าจา้าพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าเวลาอธิษฐานขอกับพินน้องครับเรา ต้องขอโดยที่ไม่มีความละอายพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องกล้าที่จะทูลขอเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดามนสวรรค์จะทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับเราอย่างแน่นอนครับนี่คือประการแรกเราจะต้องขออย่างที่ไม่อายนะครับประการที่สองก็คือว่าเราจะต้อง keep on praying นะครับ keep on knocking keep on searching นะครับหมายความว่าอย่างไรครับคําว่าคีบอ้อนี้ปแปลว่าเราต้องไม่หยุดขอครับนะประการแรกเราต้องกล้าขอประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องขอต่อไปเรื่อยๆต้องไม่หยุดขอนะครับการไม่หยุดขอหรือขออยู่เรื่อยๆแสดงให้เห็นความรู้สึกเร่งด่วนฉุกเฉินความรู้สึกจําเป็นครับขณะที่พระเยซูบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิด พี่ช่วยกำลังสั่งเราแต่ในขณะเดียวกันคำสั่งนั้นก็ตามมาด้วยคํำสัญญาครับคําสัญญาว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่หาประพบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดกับเขาการที่เราคีบออนนะครับคีบออนหรือการที่เราทําอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนะครับแสดงว่านั่นเป็นความต้องการของเราจริงๆครับประการสุดท้ายครับการอธิษฐานของเรา ต้องมีเชนเรื่องของการคาดหวังหรือ expecting ครับการ expecting นะครับเรา expect อะไรครับเราคาดหวังอะไรคําตอบก็คือว่าเราคาดหวังที่จะให้น้ําันไทยของประเจ้าสําเร็จครับในสิ่งที่เราทูลขอเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องตรวจสอบน้ําันไทยของโปรงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ขอครับเพราะเรารู้ครับว่านี่คือความจําเป็นนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราไม่ไอายที่จะขอ แต่เราในที่สุดนั้นต้อง expect บางสิ่งบางอย่างครับแปบลบว่าอะไรครับก็คือต้อง expect ให้น้ําัทไทยของพระเจ้าคาดหวังให้น้ําัทไทยของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเรานะครับเพิ่มทีในข้อที่13สุดท้ายนี้นะครับสวยงามมากครับยิ่งกว่านั้นจากเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์เป็นรองครับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีหน้นาที่ทําอะไรของพระองค์ครับ พระราชกิจของพรมก็คือช่วยเหลือเราครับนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าการที่เราอาธิษฐานนนั้นเป็นสัญญาณนะครับหรือเป็นสิ่งที่กําลังทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องพัฒนาครับพัฒนาการอาธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อมีอายุมากขึ้นพี่น้องเราจะรู้ว่าแท้หญิงแล้ว การประสบความสําเร็จในงานใดงานหนึ่งครับเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้การช่วยเหลือของพระเจ้าตอนที่ยังหนุ่มๆเช้าๆอยู่นั้นเรามีกําลังเรามีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเป็นน้ํามือของเราเองเป็นน้ําพักน้าแรงของเราเองเป็นความสามารถของเราแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นพี่น้องเองจะทําอย่างหนึ่งครับก็ ค, คือแท้จริงแล้วถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ช่วยเราทําไม่ได้ครับในขณะเดียวกันเราต้องพัฒนานะครับ เชนหรือความรู้สึกที่ปรารถนาจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือเราปรารถนาให้น้มัทไทยสําเร็จโดยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขาพเจ้าช่วยพี่น้องแารบทุกท่านรวมทั้งผมด้วยครับในการอธิษฐานเพราะการอธิษฐานนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนจะพัฒนาการอธิษฐานของเราที่อธิษฐานวิงวอนต่อพระบิดาของเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนและพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่เราจะอยู่ในน้ำมัทไทยของพระองค์ในที่สุด อาบน